ขันห้าประชุมพร้อมกันแล้วก็ไล่สืบเนื่องมาตั้งแต่อยู่ในคันมาจนถึงบัดนี้แล้วก็จะไล่สืบเนื่องกันไปหาชาต<น>ิหน้าต่อไปนะไล่ไปสู่ความตายแล้วก็ไล่ขันห้าไล่ไปหาชาติหน้าต่อๆไปอายตนะที่มันประชุมกันตั้งแต่เกิดม า, าเขาขนี่ยนะเพราะขณะเกิดนี่อายตนะประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ ง, งนะอะไรอายตนะมนายตนะกับธรรมายตนะอายตนะสองเนี่ยประชุมกันแน่นอนมนายตนะกับ ทำมายาตนะหลังจากนั้นอายตนะอื่นๆก็ค่อยๆก่อตัวกันขึ้นมาเมื่ออายตนะอื่นก่อตัวขึ้นมาอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายก็สําเร็จเจริญเติบโตขึ้นอายตนะเหล่านั้นก็ไหลเสืบเนื่องมาชีวิตที่ผ่านมาก็คือความสืบเนื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไหลมาจนถึงทุกวันนี้ชีวิตของเราวันต่อๆไปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไหลไปสู่ตาเนี่ยไหลไปสู่ความแก่และความตาย หูก็ไหลไปส clients, itation, ู่ความแก่และความตายจมูกลิ้นกายใจก็ไหลไปสู่ความแก่และความตายทิ้งตาหูจม pues ูกลิ้นกายใจเหล่านี้ก็เพื่อจะได้ถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปก็ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้นี่เขาเรียกอะไรเรียกอะไรเรียกสังสารวัตเนี่ยนะนี่คือสังสารวัตที่มันไหลสืบเนื่องจากชาติหนึ่งไหลไปแล้วไหลอีกไหลแล้วไหลอีกไหลกันไปอยู่อย่างนี้แล้วก็ก็คือความประชมแห่งธาตุธาตุสี่ประชมกันเป็นที่ตั้งแห่ง อ่ะนะมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุธรรมธาตุก็ไล่สืบเนื่องเมื่อธาตุเหล่านั้นประชมกันธาตุอื่นๆก็รวมกันขึ้นเมื่อธาตุอื่นๆรวมกันขึ้นธาตุสิบแปดเหล่านี้ก็ไหล่สืบเนื่องมาไหลจากอดีตชาติไหล่มาสู่ชาติปัจจุบันมาจนถึงวันนี้แล้วก็จกไหลต่อไปเรื่อยๆไปหาชราและมรณะเพื่ออะไรเพื่อสร้างธาตุต่อไปก็ไลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เนี่ยนะก็มีแต่ขันธาตุอเยตนะที่ผ่านมา กำลังจะผ่านไปแล้วก็ไปหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยก็อยู่ได้จนถึงทุกวันเนี่ยนะออก็ดูแลไปอะไรไปก็เห็นเป็นไรเนี่ยนะแต่ก็เนี่ยคือความไม่ ความไม่รู้สัอย่างเดียวเนี่ยนะไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ขันท่าอายตนะทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ว่าขัน ท, าท่าอายตนะเหล่านี้เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดเพราะถ้าสิ่งนี้ถ้าดับจริงสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นต้นไม่รู้สัอย่างเดียวเนี่ยทำได้ทุกเรื่องนะนะแต่สิ่งที่เราทําเชื่อไหมโดยมากไม่ทําเหตุ <favored S 2> เพื่อดับขันท่าอายตนะทําเหตุเพื่อให้มีขันท่าอายตนะกลัวมากกลัวจะสูญ กลัวจะหมดขันหมดธาตุหมดอายตนะเพราะว่าถือว่าขันธาตุอายตนะเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขและสมนัตเป็นที่ตั้งแห่งสุขและก็สบายใจเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจก็เลยตั้งความปรารถนาสิ่งเหล่านี้สแสวงหาสิ่งเหล่านี้เที่ยวหาสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นแหละมานึกนะเมื่อไรจะจบจะสิ้นสักทีนาะนี่ยมันจะจบที่ไหน บางคนก็เล่ามานะบอกโอ๊ยตื่นเช้ามาอีกแล้วเรยต้องไปสู้กับโลกกันนะแล้วก็วนโอ๊ยแล้วทําไมมันโอ้ยมันน่าเบื่อตื่นเช้ามามันน่าเบื่อนะชีวิตนี้มันมันก็มีอยู่แต่แค่เนี้นะอะไรตื่นเช้ามาก็เพื่อจะได้อาหรรียบจะได้เพื่อจะได้สายสายจะได้รีบเที่ยงเที่ยงก็ได้รียบปายปายเรียบข้ามข้ามจะได้รียบกลับบ้านกลับบ้านจะได้รีบนอนนอนจะได้รีบตื่นโอ้ยก็อยู่แต่อย่างเงี้ยวันวันหนึงวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยนะ ทุกวันก็ไหลสืบเนื่องนะนะทุกๆชาติด้วยนะไม่ใช่ทุกวันทุกพบทุกชาติที่เกิดมาก็เป็นไปอย่างนี้นี่แหละนะทุกคนก็รีบไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะ่นนะรีบไปทํากรรมเพื่อให้มีพบใหม่ชาติใหม่ก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ไหลไปที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกรรมในอดีตจึงมาให้ผลในปัจจุบันกรรมที่ทําในปัจจุบันก็เพื่อจะมีผลต่อไปในอนาคตมันกรรมในอดีตก็ไหลทะลักมาให้ผลในอดีตบ้างให้ผล ทลักมาให้ผลในปัจจุบ so? ันบ้างทลักให้ผลต่อไปในอนาคตต่อไปบ้างกรรมที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันก็ให้ผลในชาติปัจจุบันบ้างให้ผลในชาติหน้าบ้างให้ผลในชาติต่อต่อไปบ้างก็ทําอยู่อย่างนี้กรรมที่จะทําต่อไปจะให้ผลในที่ที่ต่อต่อไปก็ไล่สืบเนื่องกันไปอย่างนี้มันก็พูดแบบสรุปก็คือกรรมในอดีตให้ผลกรรมในอดีตที่ทํามามันก็ให้ผลในอดีตอย่างหนึ่งกรรมที่ทําในอดีตนั้นให้ผลมาปัจจุบันอย่างหนึ่งกรรมในอดีตนั้นจะให้ผลต่อไปในอนาคตต่อไปอีกอย่างหนึ่ง นี่รร e. oh, ได้กี่อย่างสามนะใช่ไหมกรรมที่ทําในปัจจุบันนี้ก็ให้ผลในปัจจุบันนี่อย่างหนึ่งกรรมในปัจจุบันก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตอีกอย่างหนึ่งกรรมในอนาคตก็จะให้ผลในอนาคตต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็ทําอยู่อย่างนี้แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไอ้ที่เสวยผลกรรมจริงๆอะไม่เท่าไรหรอกนะไม่เท่าไหร่มีแต่ทําใหม่มีแต่ทําใหม่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไมันวัตถานี่มันจึงไม่มีจบไม่มีสิ้นมีแต่ไลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้ เมื่อมีความเข้าใจมีความเห็นอย่างนี้นะเร่องเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์เป็นความเห็นที่ปราศจากความสงสัยเลยไม่สงสัยเลยว่าความจริงในโลกนี้มีแต่กองทุกเท่านั้นแหละที่มันเกิดขึ้นมันมีแต่กองทุกนะกองรูปนามกองขันห้ากองอายตนากองทาสิบแปด สิ่งเหล่านี้ผนวกบวกไปมาก็เป็นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและกไกลทั้งหมดนั่นก็คือกองทุกกองทุกกองทุกทำไมจึงเรียกว่ากองทุกกมันก็คือกองแห่งสังขารธรรมกองแห่งรูปนามกองแห่งขันห้ากองแห่งอายตนะสิบสอกองแห่งท่าสิบแมีแต่เหตุมีแต่ผลเชื่อมโยงกันไปมีแต่กรรมและผลของกรรมเนี่ยเชื่อมโยงกันไป แต่เพราะความเขาของเราเพราะคนเขาสอนเรามาว่านี่คือสุขนี่คือสบายนี่คือดีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ใครขาดสิ่งเหล่านี้คนนั้นยากจนคนนั้นไม่ดีคนนั้นใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีขันธาธาตุยตนะถ้าใครไม่มีมหาทุกขมาบริหารคนนั้นใช้ไม่ได้ในโลกนี้มันจะต้องมีทุ ก, กันเยอะๆเนี่ยนะจึงจะดี อันเหมือนกับว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลจะโก้หน่อยก็ต้องมีโรคติดตัวเยอะๆจึงจะโก้มากนที่นั้นนั้นอันคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นใครมีทุกข์มากโอ้ยนนเขาบอกว่าอะไรนะคาถาชื่นชมในโลกเขาบอกคนมีบุตรก็มีก็มีความสุขเพราะบุตรคนมีทรัพย์ก็มีความสุขเพราะทรัพย์นนคนมีอะไรก็มีความสุขเพราะสิ่งนั้นคนมีโคก็มีความสุขเพราะโคก็เท่ากับมีนาก็จะสุขเพราะนามีสวนก็จะสุขเพราะสวนมีบ้านก็จะสุขเพราะบ้านเป็นต้นเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าสุขหรือทุกข์กันแน่นถามดูเหมือนสุขในตอนต้นแต่ว่าเดื อ, รอดร้อนในตอนปลายเนี่ยนะก็หลายๆท่านที่มีบุตรเนี่ยนะนึกถึงด้วยความสดชื่นหรือว่านึกด้วยความแห้งแล้งมากกว่ากันสดชื่นนะคนป้ามารสีนี่สดชื่นมากกว่าแท่งแล้งไงไม่น่าแล้วนะวัตตะยาวแน่แต่งงอย่างนี้นึกเมื่อไหร่ก็สดชื่นทุกครั้งเลยนะใช่ไหม คุณป้า ม, มาสีไม่มีบุตรนะอาโยมสุนีไม่มีบุตรนะก็ดีแล้วที่ไม่มีบุตรเนี่ยนะมีแต่ญาติกับทุกข์เพราะญาติต่อไปอะไรก็ถ้าว่ารวมๆเนี่ยนะถ้าผู้ใดที่มีสิ่งใดอ่ะนะมีทรัพย์ก็จะเดือดร้อนเพราะทรัพย์แต่ปัญหาสําคัญไอ้เดือดร้อนแล้วไม่รู้จักว่าตัวเองเดือดร้อนไอ้ตรงนี้ที่มันหนักใจมากๆเลยตอนนี้คือตัวกําลังเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นๆอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเดือดร้อนเนี่ยเพราะความวิปลาสไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันยากที่จะบอกเหมือนกันเนี่ยนะ คือไอ้คำว่าเดือดร้อนของเขาบางคนเนี่ยเขามายังไม่เข้าใจว่าเอาเดือดร้อนแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเขาเดือดร้อนหมายค่ะว่าไอ้แค่เดือดปุดๆออกมามันมีความร้อนเนี่ยเราก็ว่ามันเดือดแล้วนะมันมีปุดขึ้นมาอันหนึ่งปุดอันหนึ่งมันก็แล้วน้ํามันก็ร้อนมันก็อุ่นเราก็ว่ามันเดือดร้อนนะใช่ไหมบางคนก็บอกไม่ได้มันต้องฝาล้นฝาแล้วมันทะลักออกมาสิจึงจะเรียกว่าเดือดร้อนถ้ายังไม่หลังบ้อนตาก็ยังชื่อว่าไม่เดือดร้อนบอกโอ๊ยทําไมผิวหนาจังเลยเนี่ยนะ ทำไมหนาขนาดนั้นตึกร ข, ขนาดนั้นแล้วจึงจะเรียกว่าร้อนเหมือนกันนะเป็อย่างเออก็แล้วแต่อันนั้นทำไมคือเขาทนจริงๆเลยนะอนะัแต่ก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนนี่เขาทนในวัตฏะจริงๆเลยนะทนทนทนทนทเหมือนนักมวยที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะอุ้ยต่อยเวทีแล้วเวทีเราไปต่อยมาตั้งกต่เกิดมาเป็นร้อยๆเวทีถูกซ้อมมันจะน่วมเลยนะถูกหามลงบ้างอะไรบ้างก็สู้ต่อไปนะั้น แล้วสู้ตอนจบได้อะไรก็ได้ตาบอร์ดไงได้พิการได้ความกระร่องกระเร่งเต็มทีได้เป็นขี้เล่าทุกวันเนี่ยนะก็ได้เท่านั้นแนหะชาตินี้เกิดมาให้เขาต่อยกันนุ่มเลยนะไปเที่ยวต่อยคนอื่นไหมคนอื่นครับก็ต่อยบ้างไปทําใครเจ็บเขาเอาคืนบ้างเกิดมาในโลกนี้ศัตว์ทั้งหลายโดยมากเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะถูกหลอกว่าเออนี่เดิมพันแพงรางวันสูงเอามากาแมมา็แทบไม่ได้ใช้อะไรไปซื้อเหล้าแจากเพื่อนกินโมดเนี่ยนะไม่เหลืออะไรเอาไปเที่ยวเอาไปไปทําในสิ่งที่ไม่เป็น สาระ ส, ะส่วนใหญ่ชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกนี้เราบอกจะทําสิ่งนั้นเพื่อสิ่งโน้นทำสิ่งโน้นเพื่อสิ่งโน้นเอาเอาเข้าจริงๆก็ไม่ใช่อะไรสัตวเท่าไหรหรอกเลยมันยังก็เล่นเด็กเด็กเล่นของจริงจรเด็กเล่นขายขนมเล่นขา ย, ข, ายของเล่นอะไรอยู่ไปวันวันหนึ่งแล้วก็หมดไปอีกชาติหนึ่งเนี่ยนะชาติหนึงไอแต่ที่ดิ้นรนเดือดร้อนเร่าร้อน น, น, นี่เดือดร้อนจริงๆอะ น, นะดิ้นรนอยู่จริงๆริงกระสับกระสายอยู่จริงๆแต่พื้นฐานไอความวิปราชไม่เคยกําหนดแยกแยะเลยว่า สิ่งเหล่านี้เป็นที่รวมแห่งนามรูปเป็นที่รวมแห่งขันทาที่รวมแห่งอายตนะสิบสองเป็นที่ประชุมแห่งท่าสิบแปดที่เป็นไปกับชาติชาราและมรณะชาติชาราและมรณะสิ่งเหล่านี้เกิดสืบเนื่องมาจากกรรมในอดีตเป็นปัจจัยกรรมที่ในอดีตเป็นปัจจัยก็ให้ผลในอดีตให้ผลในปัจจุบันและจกให้ผลต่อไปในอนาคตสิ่งที่เราทาในปัจจุบันนี้ จะให้ผลในปัจจุบันนี้และจัะให้ผลต่อไปในอนาคตสิ่งที่เราจะทําคําที่เราจะพูดต่อไปข้างหน้าสิ่งนั้นก็จะให้ผลในอนาคตต่อต่อไปโลกของกรรมกระแสแห่งวัตตก็สืบเนื่องกันไปอย่างนี้เพราะในโลกนี้จึงมีแต่กรรมและมีผลของกรรมเท่านั้นที่ไหลไปสืบเนื่องกันไปโดยที่แท้แล้วสัตว์บุคคลหามีไม่มีแต่กองทุกข์ล้วนที่เป็นไปเป็นความประชุมแห่งกองทุกข์คาว่าทุกข์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดนะ แม้แต่หัวเราะขี้คักก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะอะไรวิปริณามาทุกข์เพราะความสนุกเหล่านั้นก็เป็นของชั่วคราวนะว่าไปนั่งหัวเราะเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก็เศร้าใจเพราะเรื่องนั้นกลับมานั่นแหละแต่พัะความสนุกสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของชั่วคราวท่านจงเห็นสิ่งที่ไม่นะเห็นกเห็นทุกข์โดยความเป็นอะไรนะเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเห็นสุขโดยความเป็น ทุกเห็นอาทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะไล่ไปสรุปว่ามีแต่ทุกขเท่านั้นแหละคือทุกข์กับทุกข์เพราะทุกอย่างในโลกนี้อะไรมัง่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดมีไหมนึกถึงแล้วก็สบายยิ้มแย้มแจม่มใสไม่เป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจแม้แต่นิดเดียวสิ่งนั้นจะหวังต้องการขนาดไหนเราว่ามันดีขนาดไหนในที่สุดก็นํามาซึ่งความไม่สบายใจโดยที่สุดนะครใครให้พระเครื่องมาองค์หนึ่งเป็นองค์ทองคํำโอ้ย ที่พระเนตรเป็นเพชรเป็นต้นเนี่ยนะโอ้มีราคายิ่งใหญ่เลยไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าก็าไม่ทราบตัวจะหายใครจะมาขโมยของเราไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะถ้าไม่มีแล้วมันสบายถ้าคิดไปอีกในหนึ่งอนะนะแต่ถ้ามีแล้วก็เดือดร้อนเพราะต้องคอยดูแลคอยบํารุงคอยรักษาใครจะไปใครจะมาก็เดือดร้อนตัวจะไปตัวจะมาก็เดือดร้อนสรุปว่าเดือดร้อนตลอดนี่นะก็ดูว่าน่าชื่นชมในในตอนต้นแต่ว่าในที่สุดก็นํามาเสื่งความเดือดร้อนจำได้ ขนาดพระพุทธรูปเป็นทองคํานะพระเนตรเป็นเพชรอย่างเดือดร้อนเช่นนี้จะกล่าวไปยัยถึงอย่างอื่นเล่าใช่ไ ม, มีพระพุทธรูปทองคําเนี่ยอิติปิโสพระาวา่อาอรหังซ้ำ ม, มาอย่างนี้รู้เปล่าไม่อันนี้ราคานะเดี๋ยวต้องระวังเดี๋ยวเขาจะมาโจรจะมาปล้นนะมาอันนั้นอิติปิโสก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะแตนี้มันไม่ค่อยมีค่าเรี่ยวของบางคนเนี่ยนะไม่ไม่ค่อยมีมูลค่าแบบที่ที่เขาสมมุติกัน ถ้ารู้สึกว่ามีมูลค่าเมื่อไหร่จะเริ่มเดือดร้อนเริ่มไปตีค่าไปประเมินค่าให้ราคาตีราคาสิ่งนั้นแล้วก็จักเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นเพราะโดยที่สุดทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความทุกเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเป็นที่ตั้งแห่งความลําบากกายเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจทั้งนั้นเลยอะไรก็ช่างเถอะสรุปว่าเป็นที่ตั้งแห่งความลําบากกายเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจทุกเรื่องโดยที่สุดแม่ร่างกายของเรา ก็เป็นที่ตั้งแห่งความลำบากกายเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจเนี่ยนะมีฟันเนี่ยคิดดูนะแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งไง น, นะคิดดูเดือนละแปลงเดือนละสามเดือนต่อแปลงอันหนึ่งก็ทิ้งไปสามเดือนแปลงอันนึงก็ขัดถูโอ้ยแปลงอ ย, อย่างงี้ขัดล้างแลดูถามว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์กับตั้งมีฟันมาเนี่ยไงนะก็เดือดร้อนนะนะ่ นั่งก็มีผิวหนังมาล้างมันไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะมีหน้ามาก็ะล้างหน้าเดียก็ล้างหน้าเดี๋ยวก็ล้างหน้าเดี๋ยวก็เช็ดเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็เช็ดเดี๋ยวก็ปัดเดี๋ยวก็บังนั่นนี่ถามว่านั้งก็มีหน้ามามีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันก็ต้องคอยรักษาหน้าไว้ด้วยนะเพราะตัวเองมีหน้ามีตามีศักิ์สีมียศมีอย่างมีแบบมีแผนนะจะเข้าไปที่ไหนก็ต้องยิ้มไปตลอดจะโกรธแทบตายก็อากเลือดจะตายแล้วก็ต้องยิ้มอยู่นั่นแหละก็ต้องรักษาหน้าเอาไว้ไปปั้น ก็ถามว่าเขามีหน้าเนี่ยตั้งแต่เขามีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันโยมก็เราว่าต้องไปยิ้มถ้าจนเหงือกมันค้างหมดเลยปราณนั้นเดือดร้อนมากกันนะก็ ก, ก, ก็ก็ต้องเข้าสู่เข้าโลกเข้าสังค ม, มก็ยิ้มอยู่นั่นแหละนะก็หน้าอยู่แค่นี้หน้าเข้ากับฝ่ามือเนี่ยขนาดนั้นก็เดือดร้อนมากมากันตั้งแต่มีตัวนี่บริหารดูแลรักษาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกวันนี้กองทุกข์เนี่ยใช่เลย อิมะสะเกวรสสะทุก ข, ขั้นทัสสะสมุทยโยโติกองทุกทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้นะกองทุกทั้งมวลก็เกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้แต่คนเข่าวทั้งหลายสําคัญไว้ตรงกันค่ะว่านี้คือสุขนี่คือสุขนี่คือสุขนั่นนะคือโลกของคนเข่าวทั้งหลายนี่คือสุขนี่คือความสนุกนี่คือสิ่งที่เราแสวงหานี่คือสิ่งที่เราห้อยหาต้องการมานานแล้วบางคนก็บอกว่าไปได้บางสิ่งก็นึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้ยตายก็ไม่เสียดาย ชีวิตแต่ที่จริงนั้นไปเพราะเป็นความวิ ป, ปรภาพความเข้าใจคลาดเคลื่อนทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่านี้คือกองทุกนะนี่คือกองทุกอกองทุกทั้งหลายที่ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เมื่ อ, อไรจะจบก็มีอะไรนะหลักการมก็ดังที่กล่าวว่ากรรมในอดีตให้ผลในอดีตให้ผลเป็นปัจจุบันให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมในปัจจุบันให้ผลเป็นปัจจุบันให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมที่จะทำในอนาคตก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตเมื่อไหรมันจะจบเมื่อไหรมันจะจบ ไม่มีจบอ่ะก็มีแต่ไปทํากรรมใช่ไหมโอ้โเราไปถึงตรงนั้นนะเราจะสงบกายกรรมสงบวจีกรรมสงบมโนกรรมเราจะไม่ทํากรรมเลยนะมีไหมตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมานี่เคยมีแบบนั้นไหมไปที่นั่นเราจะไปทําตัวนั้นไปตรงนั้นเราจะไปพูดเรื่องนั้นไปที่นั่นเราจะไปคิดอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะไปดูสิ่งนั้นไปเห็นไปฟังก็สรุปไปทํากรรมนั่นแหละแล้วก็หลักการเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหรกรรมมันจะหมดมันจะเลิกมันจะรา เมื่อที่สุดแห่งกรรมอยู่ที่ไหนที่สุดแห่งกรรมอยู่ที่ไหนก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่สูตรหนึ่งนะที่น่าชอบใจก็คือเห็นชัดว่ากรรมดําวิบากดํากรรมขาววิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาวก็ให้ผลทั้งดําทั้งขาวกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเพื่อดับกรรมทํำยังไงที่จะเป็นกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเดี๋ยนะ มันทุกเรื่องก็ต้องมองให้เห็นเป็นวิสุทธิเจ็7นั่นแหละถ้าเจริญวิสุทธิข้อที่เจ็ดไม่ได้ก็ไม่ถึงกรรมไม่ดำไม่ขาวสักทีหนึ่งเพราะวิสุทธิข้อที่เจ็นั่นแหละคือกรรมไม่ดำไม่ขาววิสุทธิข้อที่เจเขามีองค์ประชุมอยู่เจ็ดตัวตัวเขาเป็นประธานนะตัววิสุทธิข้อที่เจ็ชื่อว่ายานทัศนวิสุทธิ องประชุมองค์ประกอบของเขาคือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาะนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธิวิสุทธิข้อที่7นี่แหละเป็นกรรมไม่ดำไม่เขาเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเป็นไปเพื่อตัดกรรมเป็นไปเพื่อดับกรรมเพราะถ้าวิสุทธิข้อที่7เกิดกรรมที่จะนําไปสู่นรกก็ถูกตัดไปแล้วกรรมที่นําไปสู่เปรตอสุรกายเดรัจฉานก็ ตัดไปแล้วกรรมที่จะนําเกิดในภพที่8ก็ถูกตัดออกไปอันนี้คืออนุภาพของวิสุธทธิข้อที่ที่7ระดับโสดาปฏิมาระดับสกท า, าคามิมักดีกว่านั้นอีกตัดให้อย่างมากคุณมาเกิดในเป็นมนุษย์แค่ครั้งเดียวถ้าวิสุธทธิข้อที่7ระดับอนาคามิมักดีกว่านั้นอีกคุณไม่ต้องกลับมาเกิดปฏิสนธิในการมมาพบอีกต่อไปอนนแต่ก็ลงมาได้มาเที่ยวได้มาอะไรได้แต่ว่าไม่ต้องมาเกิดอีกและอันนี้ เหมือนอย่างว่าเหมือนเหมือนที่ที่มันสกปรกเลอะเทอะไปเยี่ยมได้ะนะแต่ไม่ต้องไปอยู่ยนะเสร็จแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นอรหัตตะมักก็ไม่ต้องมาไม่ต้องไปไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีจุติไม่มีอุบัติก็สา ม, มารถทําที่สุดแห่งทุกได้โดยประการทั้งปวงอันแต่ทีนี้บพื้นฐานบาดฐานที่สําคัญสรุปว่ากรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจัก สิ้นกรรมทีนี้ใจความโดยสรุปเนี่ยนะที่เราไปทำกรรมณนะที่นั้นๆเนี่ยนะทำไมจึงเป็นกรรมทำไมจึงเป็นกรรมก็เอากระเจตนาเป็นตัวกรรมอยู่แล้วทำไมมันจึงเป็นกรรมทำไมมันจึงให้ผลเพราะอะไรที่ใดทำกรรมขึ้นนะแสดงว่าที่นั่นเรามีเยื่อใหญ่อนะที่นั่นแปลว่าเรามีตัณหาอยู่ด้วย ถึงไม่มีขณะนั้นแต่สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาของเราขณะอื่นก็ตามเพราะวัตถุนั้นๆเป็นที่ตั้งแห่งตัณหากรรมในอดีต ท, ที่ให้ผลนําเกิดได้ก็เพราะเรามีตัณหาชื่นชมในอดีตอยู่ยังพอใจในอดีตอยู่ยังทะนุถนอมห่วงแหนในอดีตอยู่ยังเพลิดเพลินในชีวิตในอดีตอยู่หลายคนบอกไม่เพลิดเพลินไม่ติดแล้ว ก็ลองใครไปดูถูกเรื่องในอดีตของคุณดูสิเอ๊โอ้ยแก้ oh, okay. ตัวเป็นพันละวันเนี่ยนะทั้งพันทั้งอุย้ยสารพัดแก้เพราะเราติดข้องมากในอดีตน่ยนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจึงพยายามเรียบเรียงประวัติตัวเองให้มันงามที่สุดเท่าที่จะงามได้แต่งสะอลังการวิจิตพิสดารเลวขนาดไหนก็ยังแต่งซะดิบตีหมดเลยอันนั้นคือความติดพันในชีวิตในอดีตมาเพราะนั้นอดีตนี้โดยมากเป็นที่ชื่นชมแห่ง สัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะสัตว์ที่เกือบจะไปสู่พบใหม่จะชื่นชมในอดีตมากดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ชมไม่ก่อนปหน้าคิดถึงอดีตบ่อยไหมบ่อยนะคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาแล้วผ่านมาเล่านะเนี่ยนะก็คิดเนี่ยนั่งคิดนะนะถ้าใครที่คิดชีวิตไม่เคยคิดถึงชีวิตในอดีตเลยเนี่ยโอ้ทำใจได้ยังไงเนะเาะนะนะแต่โดยมากเชื่อเหรอวันๆหนึ่งคิดถึงแต่ชีวิตที่ผ่านมา คิดถึงชีวิตที่ผ่านมาคิดถึงลูกบ้างคิดถึงล้านบ้างคิดถึงเอ่อก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองในอดีตเนี่ยนะถามว่าดูได้ยังไงเขามาไปเจอใครนะไม่ค่อยมีใครพูดโครงการในอนาคตสักเท่าไหร่เขาจะเล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้ฟังนะเช่นเขามีลูกมีล้านมีบ้านมีช่องมีเรือกมีสวนมีไร่มีนามีคนที่รู้จักมีการงานมีเงินมีทองมีมีทั้งหลายที่เขาเคยมีในอดีตนั่นแหละ ก็จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะสมัยนั้นๆที่นั้นที่นั้นนี่นั้นเป็นอย่างนั้นน่นปราเล่าว่ะเขาเยื่อใหญ่ในอดีตมากฉันทราคาในอดีตนี่ชุ่มฉ่าเต็มหัวใจไปหมดเลยนะไม่เคยลดไม่เคยเหือดไม่เคยแห้งเลยนะในชีวิตในอดีตเนี่ยนะวันถ้าใครมาถามอดีตของคนนั้นนะถ้าเป็นคนชอบพอกันนะอุ้ยเราเราไม่จบไม่สิ้นเลยนะจบแต่เล่าใหม่ <c oughs> นะเหมือนเครื่องแผ่นเสียงเกา่าชัรุ่นเก่าแล้วตกร่องอะนะ มันก็วนอยู่ในร่องเก่าๆวนแล้ววนเล่ากรีดแล้วกรีดเล่าเพราะอัปราพระเจตนามันจึงมีผลมากนะเพราะมันพูดถึงกรรมที่ตัวเองเคยทําเอาไว้ในอดีตพูดถึงกายกรรมวิจิกรรมเพระนอัปราพระเจตนาเนี่ยมันจึงแรงจึงมีกําลังมากนะเพราะมันทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกจริงๆพูดไปคําเดียวอ่ะนะบางคนเนี่ยไปพูดว่ิจีกรรมอยู่คําเดียวใส่แล้วมาคิดในใจแล้วก็พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกถึงกรรมอันนั้นเนี่ยก็เลย อัปราพระเจตนาจึงมีกําลังแม้แต่ความคิดนี่ก็เหมือนกันย้ำแล้วย้ำอีกคิดแล้วคิดอีกพูดถึงสิ่งที่เคยทําพูดแล้วพูดอีกทําแล้วทําอีกคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นเพราะความเยื่อใยในสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตสัตว์ทั้งหลายจึงทํากรรมอย่างมากมันจึงไม่หลุดไม่พ้นออกจากห่วงแห่งกรรมทั้งหลายเพราะสารวจนสารวันคิดถึงแต่กรรมในอดีตเนี่ยนะพานอยู่นั่นแหละ บางคนก็เลยพยายามจะเรียบเรียงเรื่องราวประวัติของตัวในอดีตนะนะทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งนั้นก็คือทุกข์สัตว์ทุกขสัตว์มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าสนุกดีอย่างเงี้ยนะจริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่สภาพภาพที่ที่ผ่านไปในสิ่งนั้นนะเหมือนฝันจริงๆไม่ใช่เหมือนฝันมันฝันจริงๆเลยเอาอนนีะ้เหมือนชีวิตที่ผ่านมามันคือฝันชัดๆเลยนะ งานปีใหม่ที่ผ่านมาใครว่าตอนนี้มีอะไรเหลือบ้างหออฝันชัดชัดเลยนะเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบแปดยี่บเก้าสาสสิบอ็ดวันที่หนึ่งนะฝันชัดชัดเลยนะเดี๋ยวขณะนี้นะอีกสิบนาทีนี่ก็ฝันชัดชัดนะนะบายๆเข้าเดี๋ยวก็ฝันอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บอกโอ้ยเหตุการณ์วันนี้ฝันชัดชัดยี่สิบปีข้างหน้าจะเห็นชัดเลยโอย้เหตุการณ์เนี่ย เลือนลางเต็มทีแล้วเนี่ยนะจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วไม่รู้ฟังอะไรเป็นอะไรนะอีกยี่สิปีข้างหน้านี้จะจําได้ทั้งหมดเลยมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น, นกันนะอันนี้เลอะเลือนหมดนะไม่แน่นอนสักอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้ามองถ้าถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้อีกยี่สิบปีผ่านไปแล้วย้อนมาลําลึกอนะนะบางคนบางคนบอกว่าโอ้ยนั่นเหตุการณ์เมื่อชาติที่แล้วฟังกันนะสมมติว่าอีกยี่สิบปีนะบางคนมันนึกว่าเออสิ่งเนี้ยที่กาลังเป็นอยู่เนี่ยคือเรื่องของชาติที่แล้ว บางคนก็บอกสมัยนั้นนะเมื่อสมัยปู่ย่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะก็มีก็ยังเดาเดาคาดค า, าดไปงันแต่สรุปว่าสิ่งนี้จะคือความฝันในอนาคตต่อไปเมื่อสิ่งเหล่านี้คือคือความฝันที่จะมีต่อไปในอนาคตสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในอดีตก็คือความฝันที่ผ่านมาในอดีตขณะนี้ก็กําลังฝันอยู่แล้วก็กําลังฝันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผล เ, เหตุการณ์ทั้งมวลในโลกนี้นะจริงแต่มันจริงแบบฝันจริงคือไอ้คำว่าฝันเนี่ยประกาศถึงว่ามันเอาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไม่ได้เลยไปทำเป็นอะไรเป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เลยในโลกของความฝันใช่ไหมควบคุมอะไรก่อใหม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์อะไรก่อใหม่ได้เดี๋ยวก็ฝันดีบ้างเดี๋ยวก็ฝันร้ายบ้างชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเป็นอย่างนั้น ชีวิตเดี๋ยวก็ประสบดีบ้างเดี๋ยวก็ประสบร้ายบ้างเดี๋ยวก็ประสบบุญบ้างประสบา บ, บ, า บ, บาปบ้างรับผลบุญบ้างรับผลบาปบ้างแต่สิ่งเหล่านั้นค่าที่เป็นจริงเหมือนกันหมดคือพูดในสัจจะ ท, ที่เป็นจริงคือเหมือนความฝันอาสารกัดเทนะไม่มีสาระคือความสุขที่แท้จริงไม่มีสาระคือความเที่ยงความจีรังยั่ง яться, ยืนที่เรียกว่าเป็นอ BT ัตตาเป็นอะไรไม่มีซากอย่างถ้าใส่ใจไว้แบบนี้เสมอเสมอตันหาในอดีตจักเหนือดแห้งไป ความปรารถนาต่อไปในอนาคตก็จะอับเฉาลงดีไหครับสมมุติว่าเราไม่ปรารถนาพบใหม่ต่อไปนะดีไหม ด, ดีนะสาธุขอให้จริงเนอะก็ดีตลอดไปนะสาธุด้วยผลแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์ด้วยอะไรก็ว่าไปอย่างนี้หรือเปล่าวัโนโมทนาใหญ่เลยยังไม่ได้ว่าอะไรนะยังไม่รู้เลยจะพูดอะไรเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้ข้าพเจ้า ถ้ายังมีข้าพเจ้าอยู่ก็ยังมีชาติอยู่ถ้ามีชาติก <g ül> ็ยังมีชรามรณาโสกะ ป, ปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาตเพราะฉะนั้นกูโซรธรรมเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อดับกองทุกเหล่านี้เถอะเนี่ยนะเออถ้าอย่างนั้นถ้ามันชัดเจนขนาดนั้นอ่ะใช่ใช่ละแต่ถ้ายังบอกสาทุกขอให้ข้าพเจ้าโอ้ถ้ายังมีข้าพเจ้าอยู่อีก น, นั่นอย่างนั้นนะ เรื่องยังอะไรนะเรื่องนี้ยังอีกยาวนักแลเหมือนกันนะเพราะยังมีข้าพเจ้าไปเกิดเพราะมีข้าพเจ้าไปเสวยไปเห็นไปได้ยินไม่เคยบอกว่านั่นก็คือกองทุกกองทุกกองทุกนะที่ที่มีอยู่ต่อไปข้างหน้าก็คือตัวตัวทุกข์คือตัวกองทุกขนั้นการเชื่อมเหตุพิจารณาอดีตอนาคตปัจจุบันทําไมเขาจึงให้พิจารณาอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะจะได้ และเยื่อใหญ่ในอดีตเลิกปรารถนาต่อไปในอนาคตและจะไม่เพลิดเพลินในปัจจุบันเพราะว่าความอาไลาอาวอในอดีตนี่มันรุนแรงมากรุนแรงจริงๆยิ่งคนที่เคยประสบความสําเร็จเนี่ยนะไออาไลาอาวอในอดีตนี่สูงมากๆเลยเช่นใครที่เป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จทุกเรื่องพวกนี้จะอาลไลอาวอในอดีตจริงๆเลยนะ อะไรมากชีวิตเนี่ยก็คิดถึงนะที่เขาเล่าว่าโหถ้าคนสูงอายุเขามาเจอการเนี่ยเล่าแต่ความหลังทั้งนั้นเลยนะยิ่งคนที่ประสบความสําเร็จระดับสูงด้วยยิ่งมานั่งแต่เล่าความหลังสมัยนั้นเคยได้ตําแหน่งนั้นเคยได้ยศนี้เคยได้รับบําเน็จบํานานความดีความชอบเช่นนั้นเช่นนั้นไปประสบความสําเร็จที่นั่นที่นี่อันนี้คือพูดถึงลักษณะความเยื่อใยในอดีตอย่างเต็มที่ส่วนคนวัยหนุม่มวัยสาวก็คาดหวังสาธุให้อะไรก็ว่าไป หวังแล้วหวังเล่าหวังแล้วหวัหงเล่าส่วนคนทั่วๆไปถ้าไม่คิดอดีตไม่หวังอนาคตก็เพลิดเพลินในปัจจุบันเพลิดเพลินในปัจจุบันหลงไหลในปัจจุบันเที่ยวเก็บดอกไม้มานเนี่ยนะดอกไม้มานที่มันแบ่งบานเป็นเสื้อผ้าตามห้างสรรพสินค้าทั้งหลายนี่แหละดอกไม้พยามานนะดอกไม้อะไรมานไหนบ้างมัจจุมานเนี่ยนะมัจจุมานเป็นดอกไม้ของที่ตั้งของกิเลสมานเนี่ยนะ แล้วก็เทวปุตตมานก็ลากไปลากไปไหนไม่ใช่ลากาไปบูชาอยู่แล้วใช่ไหมเทวปุตตมานเนี่ยนะแล้วก็ขันธมานก็กลุ่มรุมมัจจุมานก็ตัดคอเรียบร้อยเนี่ยนะ ก, ก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปกติอาลัยอาวรณ์ในอดีตคาดหวังในอนาคตแล้วก็ชื่นชมอยู่ในปัจจุบัน ถ้าหากว่าที่ที่กล่าวมาทั้งหมดในช่วงเช้านี่เน้นอธิบายว่าทําไมการเจริญวิปัสสนาจึงต้องพิจารณาอดีตและอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งซึ่งก็มีมีหลายคนอาจจะสงสัยในลักษณะนี้ก็พยายามอธิบายว่าทําไมจึงคาดหวังในอดีตอนาคตหรือทำไมวิปัสสนาเนี่ยจึงให้พิจารณาอดีตอดีตแม้กระทั่งอดีตชาติด้วย อนาคตแม้กระทั่งอนาคตพบต่อไปด้วยปัจจุบันนี้เอาเรื่องของชีวิตทั้งชาติมาคิด จ, จนประมวลชีวิตมาตลอดสายแล้วเอามาใคร่ครวญเพราะอะไรเพราะตันหาไม่เคยแห้งแล้งจากสิ่งเหล่านี้เลยอาวรณ์สิ้นดีในชีวิตที่ผ่านมาคาดหวังไว้เสมอนะสมมติถ้าเราก็อาจจะไงหวังถ้าเลิกปั๊บก็หวังว่าจะมีอาหารรอเราอยู่ะนะมีอาหารรอเราอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าไม่คิดโอ้โหมาหาผู้รอกัดเราทั้งหลายตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะ น้อยนักที่จะคิดลักษณะนี้ใช่ไมคิดเออนั่นมีข้าวมีนะมีแกงมีผัดมีอะไรก็คิดของเราไปด้วยไม่ค่อยคิดนะว่านั่ น, น, นคือกองทุกที่รอกันอยู่เนี่ยนะต้องไปจัดแกงเนี่ยนะโอ๊ยลําบากจิตจิตชาวายโยทั้งบททั้งเกี่ยวทั้งตักทั้งยกทั้งดืม่มทั้งตายโอ้ยหลยไปอีกเยอะแยะเรื่องราวมีแต่กองทุกที่กําลังเป็นไปคือการลากปัญญาของเรามันลากได้ไม่ยาวไงมันมันปัญญาไม่ค่อยมากอ่ะนะ ปัญญาไม่ค่อยมากแล้วก็ไม่ได้คิดจะสมาทานให้เจริญขนาดนั้นด้วยว่าสิ่งที่เราจะไปเกี่ยวข้องสิ่งที่เราจะไปประสบไปพบไปปะไปเจอก็คือกลัวตัวกองทุกนั่นแหละกองทุกที่กาลังจกเป็นไปกองทุกคือขันธาตุอายตนะเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งชาติชาาและมรณะเนี่ยนะรับถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ ของการพิจารณาวิปั ส, สนาทั้งหลายที่พิจารณาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประเีตกลากลและใกล้เราก็จะข่มตันหาข่มความทะเยอทะยานข่มความต้องการข่มความหอยหิวในสิ่งเหล่านั้นถามว่าทำไมต้องข่มเยื่อใยในสิ่งเหล่านั้นทำไมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่งอกแห่งชาติชาและมรณะเพราะคิดถึงอดีตก็นาเกิดได้ คิดถึงอนาคตก็พบใหม่เพลิดเพลินในปัจจุบันทุกอย่างเป็นเหตุแห่งพบใหม่หมดเลยอาไลาอาวรนติดข้องในอดีตนั่นก็คือเหตุแห่งพบใหม่ความหวังความชื่นชมสังขารต่อไปก็คือเหตุแห่งพบใหม่ยินดีในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินรู้กลิ่นอยู่ตอนนี้ก็คือเหตุแห่งพบใหม่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคิดอย่างไรจึงจะตัญหาในพบจึงจะเหือดจะแห้ง ปัญหาในพบอดีตจึงจะเหี่ดแห้งตัญหาในพบอนาคตต่อไปจึงจะเหือดแห้งปัญญาอ่าปัญหาในปัจจุบันที่กำลังเป็นไปอยู่จึงจะเหือดแห้งแห้งจากอารมณ์แต่อารมณ์ใดก็ร้อนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นรูปเป็นของร้อนมันร้อนหมดคิดถึงอารมณ์อะไรก็ร้อนถ้าอย่างนี้ดับได้แต่ก็บอกเออตรงนั้นก็เย็นอยู่นะเ ย, นเย็นไหม อาหารมื้อต่อไปก็ไม่ร้อนอะไรหรอกก็อร่อยดีเนี่ยแสดงว่าเย็นแล้วนะแต่ถ้าบอกว่าอาหารเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนที่จะไปรับอาหารเหล่านั้นก็ร้อนนะรถเหล่านั้นก็เป็นของร้อนชิวหาวิญญาณก็เป็นของร้อนชิวหาสัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวนทนาที่เกิดจากการบริโภคนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรราคะมันก็เล่นงานอร่อยไม่อร่อยโทรศัพมันก็เบียดเบียน ยังไงก็ไม่เห็นเหตุอัสาเหตุเกิดความดับอัศธาอาทินวะนี้สราระก็สิ่งนั้นอีกโมหะก็เบียดเบียนเพราะฉะนั้นตันหาในรถก็ฉุดไปสู่ชาติา น, นชราก็ติดตามพญาที่ก็ครอบงำมรณะก็ห้ามหันนะนะก็โลกเป็นไปอยู่อย่างนี้นี่แหละโลกคือขันธาอริยตนะโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไหลไปอย่างนี้มันตันหาในอนาคตมันจึงจะเริ่มแห้งๆลงไปบ้างนะ แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะโอ้ยมันไม่รู้จักพอจริงๆเนี่ยนะหวังแล้วล่ําไปอิ่มมือนี่ปรารถนามือต่อไปเนี่ยนะปรารถนามือต่อไปดีไมด่ดีวางแผนได้กินชาติหน้าเบ็ดเสร็จอีกนะแต่ก็ดีกว่าดีกว่ า, วาไม่ทําเหตุแห่งไว้กินพบใหม่บ้างเลยนะก็ยังดีนะวางแผนว่าโอ้ชาติเราต้องเวียนไหวตายเกิดอีกนานเมื่อเวียนไหวตายเกิดอีกนานทําเสบียงไว้ให้พอเดี๋ยวไม่ใช่ว่าบรรลุก่อใหม่บรรลุลชาติก็ยังอีกยาวแล้วก็หิวตลอดทางเนี่ยนะ หิวเป็นพุทธันดรพุทธันดร น, นี้ไม่ไหวแล้วจ้ยหิวเป็นกับกับนี่ก็ไม่ไม่น่าสนใจหรือตกนรกเป็นกลับกับเพราะฉะนั้นการให้ทานเป็นต้นเนี่ยเขาจึงผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขาจึงไม่ประมาทถ้ายิ่งผู้ปรารถนาบรรลุมรรคผลดับภพบชาติสงสารเขายิ่งให้ทานให้จนไม่มีส่วนเหลือแต่ถ้าหาว่าคนที่บอกว่าู้ตัวเองยังอยู่อีกยาวอีกนานเหลือเกินไร้ความหวังที่จะบรรลุมรรคผลแล้วไม่ให้ทานเนี่ยนะครขณะเดียวกันก็ เตรียมยาโรคกระเพาะเอาไว้ด้วยนะนะกระเพาะอะไรก็ ไ, ได้กระเพาะช้างเนี่ยกระพงช้างนะฮะมันต้องกินอีกมากเนี่ยนะถ้าเทเท่าช้างกินอะไรนะช้างที่เขเอาเข้ากรุงเทพทุกวันเพราะกรุงเทพมันหญ้าสมบูรณ์เนี่ยนะตามชนบทไม่ค่อยมีหญ้า ก, กินก็เลยเอามากินข้างนอกแล้วอาหารคนก็เต็มอาหารช้างก็เต็มก็เลยเอามาเลี้ยงในเมืองเนี่ยนะมนะันก็มันถ้าเราไปเกิดเป็นกระเพาะอะไรดีละ่ะมีท้องเท่าไหร่อะไรยังไงก็เตรียมสเบียงไว้ต่อไปด้วยแต่ถ้าหากว่า ไม่เอาละไม่เอาละคิดยังไงจึงจะดับระสะตัณหาให้ได้ดูว่าจะดับตัณดับชั้นราคะในรถอันอร่อยอร่อยสำเร็จหรือไม่มือเที่ยงนี้จกรู้กันนะก็หมดเวลาช่วงเช้าพอดีนะ